เป็นปัจจัยแก่สามปยุติตขันโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่การมันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติตขันและกตาตารูปโดยอินทริยปัจจัยจักขุนสีเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญ ญ, ญาณและกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ากายวิญ ญ, ญาณและรูปปัจชีวิตินรีย์เป็นปัจจัยแก่ กตาตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอินทริย์ปัจจัยแต่แก่อินทรีย์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐยึดถือได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ที่การมออันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์มออมของอุปาทาน โดยอินทริยปัจจัยแต่แก่อินทรีย์ที่การมันประกอบในตันหาลัทธิถิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขัน์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบในตันหาลัทธิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบในตันหาลัทธิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน โดยอินทริยปัจจัยแต่แก่อินทรีย์ที่การมันประกอบด้วยตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏ <|so|>. ฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอินทริย์ปัจจัยแต่แกอินทรีย์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ตภาปธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ที่การมันประกอบด้วยตันหาและท exactly ิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ได้ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันธ์แจิตตะมุทฐานอรูปโดยอินทรียปัจจัยชานปัจจัย76สภาวธรรมที่การมันประกอบโดยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบโดยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยชาณปัจจัย แต่แก่องชาญที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและออาทาิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สามประยุทธตขันโดยชานปัจจัยในปฏิสนธิขณะองชาญที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สามปรยุทธตขันและกระตัตารูปโดยชานปัจจัย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 แก่แกองชานที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแกสัมปยุติขันและจิจัดสมุทฐานารูปโดยชานปัจจัย 77. สจภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ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 ไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่การมันประกอบด้วยตัณหารละทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยชาณปัจจัยได้แก่องฌานทิการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สมประยุติตะขันไจิตตสมุทฐานารูปโดยชาณปัจจัยมัคคะปัจจัยเจดสิ78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 และที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานโดยมรรคขปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานารูปโดยมรรคขปัจจัยสัมปยุตตะปัจจัยเจ็ด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 ได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบได้ตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสามประยุตตปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองละวิปประยุตตปัจจัย80สภาวธรรมที่การมันประกอบได้ตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตาปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตาปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโดยวิปยุตตาปัจจัยละกายายาตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตาปัจจัย อหไัยว the the ัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กรรมมันประกอบได้ตันหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่กรรมมันประกอบได้จันหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกรรมมันประกอบได้จันหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปยุตตาปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่ติตะสมุธานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธที่กรรมันประกอบด โ, อ ah โดยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธที่กรรมันประกอบใดยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของปาทาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและเป็นอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบโดยทันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบโดยทันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปยุตตาปัจจัย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 และที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทา น, น, นโดยวิปปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทา น, น, นเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งการมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทา น, น, น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 ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกัตตารูปโดยอธิปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หัตถวัตถุละหัยถวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันละมหาภูตรูปหนึ่งละมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปที่เป็นอุปาทายารูปโดยอธิปัจจัยสำหรับเราอสัญญาสตรพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กะตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุตชนเห็นแจ้งจากสูดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาท ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งโสตคานะจิวหากายรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถื อ, ถอและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานกลิ่นรสพอตพะหัตถยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละ โทนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอาคุศลดับแล้วจิตตุ บ, บาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นททธารมฺมรูปายตนะที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จกักวิญญาณและคันทายตนะที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรษายตนะ โพธพายาตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและจักหายาญตนาเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณและกายายาญตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและหัตถัยาตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตันหาฤทธิธิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาฤทธิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะและอาหาระ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 เป็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฐียึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกลิน่รภภภนรสโหทพพาธาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัจึงเกิดขึ้น เห็นรูปที ools, ่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยทิพจักขุหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบไปตัญหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบไปตัญหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่การมันประกอบไปตัญหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัย มี3อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาต ะ, ชชาชาตะและอาหาระสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิหิถื อ, ถอและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย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 มหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานอรูปที่เป็นปาายารูปโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละปุเรชาตะได้กแก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่การมันประกอบในยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอปาทานตเสียงกลิน่นรส โหทพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นป ร, ราค้าจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาต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 ปุเรชาตะป ช, ชาชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเสียงกลิน่นรสโพธพภะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลิ น, นรูปเป็นต้นนั้นบราคาจึงเกิดขึ้นละโทมนตจึงเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยตทารม์รูปายตนะที่กามันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จกักวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตาได้แก่ขันธ่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปจัจจัยแก่ติตะสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ Mont ไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตตาได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งการมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปัจฉาชาตะและอาหาระปัจฉาชาตาได้แก่ขันที่การมันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือได้ไม่เป็นอารมณ์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 มีสี่อย่างคือปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปุเรชาตะไดแ้แก่รู ป, ปายตนาและจักขายตนาที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จกักวิญญาณโดยอธิ ป, ปัจจัยละโธพธภายตนาและกายายตนาที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและรูปชีวิตินรียเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และมหาภูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่ติตะสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่กรมันประกอบด้วยตันหาลติฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและหัตายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตันหาลติฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละ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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวิธรรมที่การมันประกอบด้วยจันหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสมอย่างคือปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่การมันประกอบด้วยจันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิกต์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคต์ปัจจัยในวงเล็บยอ่อ